เบอร์สามสิบปดเป็นไงของพ่อคับรีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมีโอกาสนะฟังของพ่อเทศครับแล้วก็ครั้งแรกกลับไปเนี่ยผมคิดว่าในหนึ่งวันเนี่ยผมมีสติที่ผมจะรู้ตัวว่าผมรู้สึกอะไรผมทําอะไรอยู่แต่สิ่งที่ผมไม่มั่นใจคือผมไม่รู้ว่าหลังจากผมมีสติที่รู้ว่าผมรู้สึกอะไรและทําอะไรอยู่เนี่ยผมควรจะรู้สึกยังไงต่อ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมนั่งอยู่แล้วลูกชายผมเนี่ยวิ่งก็มาหาผมแล้วก็เรียกผมแล้วผมก็รู้สึกมีความสุขผมก็รู้สึกได้ว่าผมมีความสุขแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมควรทำอย่างไรต่อหรือว่าไ ม, ไม่ต้องทําอะไรท<อ>้จิตมันทําเองเช่นต อ, อมันมีความสุขแล้วมันก็มานั่งคิดม่าจะทําอะไรต่อดีนะเนี<อ>่ยรู้ลกปัจจุบันไดปได้ได<อ>จิตนะไม่ได้เลิกทํางานเขาทางานของเขาทั้งวันทั้งคืน เรามีหน้าที่แค่ตามรู้ไปเรื่อยๆตัวอย่างเหตุการณ์วสมมติผมเถียงกับคนอื่นผมเถียงกับคนแล้วผมก็รู้สึกผมโกรธเ อ, อผมรู้สึกตัวว่าผมโกรธแต่ผมไม่รู้ว่าแต่อิจิตใต้สำนึกของผมก็บอกผมว่าเฮ้ยโกรธไม่ดีนะคือผมไม่ควรโกรธอย่างนี้เนี่ยเป็นการบังคับจิตของผมมากเกินไปหรือเปล่าครับคือตรงที่จิตใต้สำนนะึกบอกว่าโกรธไม่ดีเนี่ยยังไม่ได้บังคับ แต่ถ้าเกิดพฤติกรรมตามหลังมานะถึงจะงบังคับเช่นพยายามแทรกแสงให้หายกลุก้มแล้วถึงจะมีปัญหาลําทางจิตมันมีความโกรธเกิดขึ้นไม่ห้ามมันในขณะที่รู้ว่าโกรธเนี่ยอันนี้ถูกต้องละถัดจากนั้นจิตมันคิดต่ออีกแต่ว่าโกรธไม่ดีอันนี้จิตมันทํางานของมันเองตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าพอมัน้อกว่าคิดโกรธแล้วไม่ดีเนี่ย เราพยายามแก้ไขตัวนี้มีปัญหาอย่างนี้ผมก็จะปล่อยให้ผมโกรธไปดูตัวผมโกรธไปเรื่อยๆครับเอานั่งดูซิดูว่ามันโกรธได้นานแค่ไหนแต่ขั้นแรกเลยนะถือสี่ห้าไปก่อนครับถึงโกรธยังไงนะก็ไม่ล้นออกไปทางปากทางมือทางเท้าครับนั้นโกรธแล้วเราก็ดูดูซิเธอจะโกรธนานแค่ไหนไม่ใช่ให้หายนะครับแล้ว ตัวอย่างอย่างถ้าสมมติผมรู้สึกว่าผมมีกิเลสอย่างเช่นผมรู้สึกว่าวันนี้ผมต้องขับรถไปทานร้านอาหารเนี่ยไกลๆผมต้องไปให้ได้เลยมผมรู้สึกตัวว่าเฮ้ยผมมีกิเลสนะที่จะต้องไปแสวงหาไปทานอาหารร้านอร่อยๆไกล ๆ, ๆนเนี่ยผมควรที่หยุดความคิดกิเลสของผมดีหรือว่าผมก็ควรแค่จะมองมกิเลสของผมว่าผมจะไปแล้วผมก็ไปจริงๆอย่างนี้นะครับคือมองที่กิเลสเราแล้วนะ พอความอยากหรือกิเลสดับไป็นจริงๆตอนนี้เหลือเหตุผลแล้วสมควรไปก็ไปเราจะใช้ชีวิตด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอยากครับนี่เรามีสติขึ้นมานะครัอันนี้เป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกคนในโลกเนี่ถูกกิเลสสั่งให้ทำโน่นทํานี้ทั้งวันชีวิตนี่เหนื่อยกว่าความที่ควรจะเป็นเยอะเลยลําบากดิ้นรนอยากได้โน่นได้นี่เราดิน้นทำมาหากินแทบเป็นแทบตาย เหนื่อยเราเหนื่อยเกินจริงแล้วก็ได้อะไรมาซึ่งลมๆแแรงๆนี่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเรารู้ทันจิตใจของเรานี่เป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวมาเห็นความอยากาอยากไปกินข้าวไกลๆขุดขึ้นมาถ้าเรารู้สักว่ารู้สักว่าดูจริงๆความอยากนี้จะต้องดับถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วกุศลจะต้องดับทันทีเลยนี่ฝากกุศลดับไปแล้วค่ะนี่ควรจะไปกินหรือไม่กิน ใช้เหตุผลแล้วพอเขาผลไป้าไปเพราะสติที่ผมเกิดมันไม่ใช่สติที่จริงเลยมันมันยังไม่มีแรงพอถ้าสติตัวแท้เกิดแล้วอุปสนจะดับทันทีดับเองเลยแล้วจิตใจจะแช่มชื่นเบิกบานแล้วจะทํายังไงให้สติผมแท้สตแิแท้เกิดได้เองสติต้องเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอนาาัตตาเนี่ยถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดเหตุให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะได้เงั้นถ้าจิตมันรู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงพอความโกรธผุดขึ้นมามันจะระลึกได้เองว่าอ๋อโกรธละว่าโกรธจะดับเองนี่เราต้องฝึกทุกวันฝึกคอยสังเกตสภาวะในใจของเรามันเปลี่ยนแปลงทั้งวันรู้สึกไหมรู้สึกทันาหัด ร, รู้ไปเรื่อย ถ้าไปจิตมันจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นพรสภาวะเกิดแล้วสติจะเกิดเองสติเกิดจากทิระสัญญาหอถุงสระอิรเรือทิระสัญญาหมายถึงการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำได้แม่นถ้าจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆเหมือนเราจะจำคนนี้ได้จะจำได้ว่านี่ที่ตีน่าจำได้ถ้าเราเห็นบ่อยๆจำแม่น นา น, น, านหลายๆปีเห็นทีหนึ่งจําไม่แม่นแล้วเราก็หัดดูสภาวะทุกวันทุกวันนะแล้วมันเป็นเองที่เหลือไม่ต้องทําอะไรมากแค่หัดรู้สภาวะรูปเดียวเลยแล้วเวลาสติเกิดเกิดเองพอสติเกิดแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเองปัญญาก็จะเกิดเองก็จะเห็นเลยกระทั้งความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโกรธจะเกิดห้ามมันไม่ได้มันเกิดของมันเอง เกิดแล้วมันก็ดับไปตามธรรมดาของมันโดยที่เราไม่ต้องไปดับมันทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นอย่างนี้ใจใจที่สุดใจก็เข้าถึงความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคนที่ใจเข้าถึงความจริงยอมรับความจริงขนาดเนี้ยเรียกว่าพระโสดาบันกือ เ, เป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากนะโสดาบันคือคนที่ใจยอมรับความจริงว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตนถาวรพอสวดปฏิบันเห็นแค่นี้เองไม่ต้องเรียนเยอะกรรมฐ า, านะเรียนนิดเดียวพอหัดดูสภาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปไม่ต้องรู้สภาวะเยอะก็ได้แต่รู้ให้แม่นสักอันหนึ่งเก็ดูตัวเองสภาวะอะไรของเราเกิดบ่อยๆหัดรู้สภาวะนั้นให้แม่นๆในสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยจําแนกเป็นสองฝั่งฝั่งกุศลกับอกุศล วันหนึ่งวันหนึ่งอับปุศลเกิดมากกับุสนเกิดน้อยตรงนี้เข้าใจยังอับปุศนมากน้วันหนึ่งวันหนึ่งอับปุสลมีน้อยงั้นเรียนรู้เรื่องอับปุศลให้เยอะอกบปุสนประกอบด้วยโลภโกรธหลงหลงมีเยอะที่สุดในแต่ละวันเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนะลืมกายลืมใจหลงไปด้วยเพราะงั้นเรียนเรื่องหลงให้เยอะความโลภความโกรธเป็นของมีน้อยยกเวน้นยกเว้นบางคนเป็นขี้โมโหโมโหทั้งวันโมโหอยู่ที่ปลายจมูก อะไรนี้หนึ่งก็โมโหอะไรนี้หนึ่งโมโหวพวกนี้โมโหบ่อยก็ดูความโกรธจิตที่โกรธแต่จิตที่โกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ก็เป็นจิตที่ไม่โกรธพอกระทบอารมณ์ใหม่โกรธอีกโกรธอีกรู้อีกนั่นเรียนผู้เดียวก็พอจิตมีความโกรธแต่จิตไม่โกรธคนไหนโลภมากมีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันกวามจริงโลภทุกคนนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้เรื่องเลยความอยากนี้เกิดทั้งวันเนี่ยตัวโลภ ถ้อย่างนี้เราดูจิตจิตก็มีสองชนิดจิตที่โลภกับจิตไม่โลภจิตที่มีความอยากพอเรารู้ทันก็กลายเป็นจิตที่ไม่อยากดูอย่างนี้ยพูดเดียวก็พอแต่ผู้ที่หลวงพ่อแนะนํานะจิตที่หลงแต่จิตที่ไม่หลงถ้าจิตที่หลงเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมีมากที่สุดจิตจะโกรธได้ต้องหลงก่อนจิตจะโลภได้ก็ต้องหลงก่อนเพราะฉนั้นหลงเนี่ยเป็นกิเลสยืนคื้นโมหะเป็นกิเลสยืนคืบ ถ้าเราหัดรู้สภาวะแห่งความหลงแล้วก็มันจะครอบคลุมกิเลสอื่นๆได้หมดเลยหลงก็มีหลงไปทางไหนบ้างหลงไปทางตาหลงไปดูเขาเคยเป็นไหมไปดูเห็นคนก็ตีกันไปดูหรือขับรถอยู่เห็นคนถูกรถชนต้องชะลอรถดูนะตามธรรมเนียมหรือตามมารยาทรถชนกันอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องติดด้วยมันหลงไปดูเวลาเราไปดูอย่างอื่นเราจะลืมตัวเอง เวลาได้ยินคนเขาคุยกันหัวเมียข้างบ้านคุยกันอยากรู้ว่าก็าคุยอะไรตั้งใจฟังรับลืมตัวเองรู้เรื่องที่ฟังนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปเรื่อยบางทีก็รู้เรื่องที่คิดบางทีคิดอะไรก็ไม่รู้นี่หลงทางใจนี่หลงทางตาหลงทางหูจังจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงทางใจเกิดบ่อยที่สุดส่วนมากก็หลงทางตาเดี๋ยวเดียวก็จะไปหลงทางใจเช่นไปเดินไปเห็นดอกไม้สวย เดินดูดอกไม้ไปแป๊บเดียวคิดต่อไปละแหม่ได้ดอกไม้นี่ไปให้แฟนเราก็จะดีคิดจะถึงแฟนเราแล้วลืมเรื่องดอกไม้ไปละตอนนี้เป็นการทํางานทางใจนั้นหลงทางใจนี่มีมากที่สุดคือหลงไปคิดนั้นถัดรู้สภาวะหลงคิดให้ดีถ้าเรารู้จกักสภาวะหลงคิดแล้วก็การทํากรรมฐานของเราจะทําได้ทั้งวันเลยตอเ น, นี้เป็นสภาวะที่เกิดถี่ยิบเลยในหนึ่งนาทีนี้หลงคิดหลายครั้ง ไหลแวบแวบแวบลองทดลองดูนะอย่างตั้งใจฟังหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกไหมฟังไปคิดไปรู้สึกเป็นแวบแวเออเนี่ยมันหนีแวบแวบนะจริงๆประมาณสองวินาทีก็หนีแวบหนึ่งละนี้เดียวน่ยเบอร์สามสิบสี่ไปแล้วเห็นไหมเรียนเบอร์สามสิบแปดก็ไปแล้วเห็นไหมหนีหนีไปคิดเพราะะฉนั้นถ้าเราจําสภาวะที่จิตหนีไปคิดได้แม่นสติจะเกิดทั้งวันเพราะสภาวะนี้เกิดบ่อย นี่เคยมีคนมาถามหลงพ่อว่าใช้อารมณ์อื่นนอกสติปัฏฐานได้ไหมถามว่จะใช้อะไรบอกถ้าฟ้าร้องผมจะคอยรู้สึกตัวบอกไม่ได้พรปีหนึ่งร้องไม่กี่ครั้งแต่จิตที่ไหลไปคิดเคิดทั้งวันเ่ยแว บ, บรู้สึกแว บ, บรู้สึกสติมันจะถี่ยิบขึ้นมาเราฝึกสติไม่ใช่เพื่อไม่ให้ขาดสตินะฟังให้ดีหลายคนเข้าใจผิดว่าฝึกสติเพื่อไม่ให้ขาดสติ เราฝึกสติเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้ขาดสติัานนะักฝึกสติเพื่อรู้ว่าเมื่อกี้นี่ขาดสติงั้นเดี๋ยวก็จะเผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้สึกการปฏิบัติเหลือแค่นี้เองแต่ถ้าจะฝึกไม่ให้ขาดสติดดจะเครียดสุดขีดเลยเพราะกําลังพยายามทําสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตาสติสั่งให้เกิดไม่ได้นะบางคนไปนเดินจงกรมกระแทกเท้าใหญ่หรือจะขยับขยเรื่นมือแนละ้วเพ่งเพ่งเพ่งกลัวจะขาดสติ ขณะที่กลัวขาดสติแล้วแหละขาดสติเรียบร้อยแล้วนะโลภะหรือโทสะแทรกเข้ามาในใจเรียบร้อยแล้วขาดสติไปแล้วนะนั้นเราไม่ได้ฝึกสติเพื่อไม่ให้ขาดสติแต่เราฝึกสติเพื่อว่าทันทีที่มีสติเราจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วความหลงก็ดับไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวรู้สึกได้แว บ, บเดียวก็จะขาดสติอีกขาดสติอีกรู้อีกจุดสุดท้ายเลปัญญามันจะเกิด จิตจะขาดสติจะหลงไปห้ามมันไม่ได้มันหลงของมันเองนีมันทํางานของมันเองจิตเนี่ยจิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้มันรู้สึกขึ้นเองเพราะมันจําสภาวะได้รู้สึกแล้วก็รักษาความรู้สึกตัวไว้ไม่ได้อยู่ช่วงขณะก็ดับไปเช่นเดียวกับอกุศลนลั่นแหละถึงจุดนี้ปัญญาจะแจ้งกุศลหรืออกุศลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิน้นใช่ไหมจะเห็นภาพรวมเกิดความรู้รวบยอด แค่เราเห็นจิตรู้จิตเผลอคือจิตมีโมหะกับจิตรู้สึกตัวนี่แค่นี้เองสุดท้ายจะเกิดความรู้รวบยอดไหมจิตทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปจิตทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันทํางานของมันเองนี่ปัญญาอยู่ตรงนี้พอเข้าใจอย่างนี้ก็ละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราทําไมหลวงพ่อมาเน้นที่จิตเพราะในบรรดาขันท่าที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนี่เองทันทีที่เรามีสติ ข, ขึ้นมาเราจะเห็น ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะจะรู้สึกเลยไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรื่องเดียวในนี้คือตัวจิตนี่เองเรารู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราเราไม่เห็นด้วยว่าจิตเกิดดับเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นเราคนเก่า พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตนี้เกิดดับรวดเร็วมากมันสืบเรื่องกันเร็วจนเรารู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีจริงๆริมีถาวรแท้จริงแล้วเป็นภาพลวงตาคล้ายๆตัวการ์ตูนน่ะสมุดหนังการ์ตูนโดเรมอนนะเราเห็นมีโดเรมอนตัวเดียวใช่ไหม แต่วิ่งไปวิ่งมาบินไปบินมาได้ทั้งวันทั้งๆ้ที่จริงๆมันคือรูปที่มาต่อกระแสในรูปไม่เกิดภาพลวงตาว่ามีตัวมีตนขึ้นมาในจิตในใจนี้ก็เหมือนกันมันมีภาพหลวงตาเพราะเราไม่เห็นจิตเกิดดับมันเกิดต่อเนื่องกันเร็วเราได้รู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีตัวตนจริงๆมันวิ่งไปวิ่งมาได้จริงๆไม่มีวิ่งไปวิ่งมานะจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจ นี้มันสลับกันเร็วเราเลยฝึกมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนภาพการ์ตูนอ่ะมันเป็นภาพลวงตาเนีย่ยถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปรู้ลงไปเราจะเห็นเลยถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกล่ะเพราะในกันห้า 5, นี่จิตเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดนั้นเวลาแตกหักเนี่ยมันแตกหักที่จิตเวลาปฏิบัติถ้าปฏิบัติเข้าที่จิตเลยจะสั้นนิดเดียวหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเจียนเนะี่ยไม่ไม่เจอกับหลวงปูดูหลอกแต่สอนธรรมะออกมาเหมือนเหมือนกัน หลวงเรียนสอนบอกว่าถ้าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางของาการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะคนในโลกนี้ไม่มีคนรู้ว่าจิตคิดในโลกนี้รู้แต่เรื่องที่จิตคิดเราคิดเรื่องอะไรเรารู้แต่จิตไปคิดเนี่ยไม่เห็นอาการที่จิตแอบไปคิดถ้าเมื่อไรเราเห็นอาการที่จิตไหลไปคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตนะทั้งห้องเลยนะเรียนทีละคนไม่ทันแล้วต้องเรียนแบบมวยหมู สังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆให้หัดรู้ตรงนี้ไปนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะฟังไปแล้วก็หัดสังเกตสภาวะในใจสังเกตไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวสังเกตไหมคิดเยอะกว่าฟังอีกให้รู้ทันจิตที่หีไปคิดถ้าเมื่อไรรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันจะเกิดความรู้สึกตัว ทำไมเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วจิตที่มันหลงไปคิดนะมันไปอยู่ในโลกของความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงเราไปอยู่ในโลกของความหลอกลวงซะแล้วเราก็เห็นความจริงไม่ได้ถ้าเมื่อไร่เราเห็นว่าจิตหนีไปคิดปุ๊บเราจะหลุดออกมาจากโลกของความหลอกลวงเราจะมาอยู่ในโลกของความจริงเราก็จะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงได้งั้นการที่จิตหลงไปคิดนี่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยตัวร้ายมากเลย จะหลงทั้งวันนะหลงไปคิดแวบไปรู้เรื่องที่คิดละไม่ทันรู้ว่าจิตไปคิดนี่หลวงพ่อเทียนจะสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางคือจะเกิดความรู้สึกตัวสามารถรู้กายรู้ใจได้การรู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาพอรู้รู้ทันว่าจิตคิดก็จะสามารถทําวิปัสนาได้นี่วิปัสนายังมีรู้กายรู้ใจหลวงพ่อเทียนก็สอนต่อไปอีกบอกว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด เพะอะไรเพราะเราเห็นว่าจิตนี้คือตัวเราเหนียวแน่นที่สุดถ้าทําลายตัวนี้ได้นะทําลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ขั้นห้าทั้งหมดจะไม่เป็นเราทันทีเป็นพระโสดาบันทันทีถ้าทําลายความยึดถือจิตได้จะไม่ยึดถืออะไรอีกเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติจนถึงขั้นแตกหักขั้นสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมันจะเรียนเข้ามาที่จิตันเดียวล้วนๆเลยเพราะกายนี้ปล่อยวางไปก่อนแล้วตั้งแต่เป็นพระอนาคามีจะตะลุมบอลทําสึก ทั้งใหญ่อยู่ที่จิตนีงเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจนะนี่เป็นวิธีที่รัดสั้นที่สุดแต่บางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตดูบ้านไว้นะเดี๋ยวก็เห็นเจ้าของบ้านไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยวก็เห็นเจ้าของบ้านแต่ถาว่าอ้อมไหมอ้อมแต่อ้อมอย่างนี้ก็ยังยังพอใช้ได้ถ้าอ้อมมากโลกไปเลยใช้ไม่ได้นะเช่นเดินจงกรมไปรู้ว่าพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยไม่มีสาระอะไร แล้วมันไม่ใช่ตัวเราคืองั้นเรียนเข้ามาจนวันหนึ่งเห็นตัวเราไม่มีพระโสดาบันจะเห็นน่าตัวเราไม่มีพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมวันใดที่ได้พระโสดาบันนะแล้วมองย้อนลงมาตัวนี้จะหายไปความรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งนี้จะหายไปแล้วไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยถ้าคนไหนยังดูแล้วปลุกโล่โผล่โผล่โผล่โล่โผล่โผล่นะพระโสดาเกะนะหลายคนเลย จนถึงอารหันต์เกก็เยอะนะมีคนมาหาหลวงพ่อที่บัดนนี้เลยเป็นที่ฆาตกรรมพระริยะฆ่าพราริยะตายทุกวันทุกวันนะพระริยะทําไมมันเยอะนักก็ไม่รู้นะสติยังไม่มีเลยแต่มีพระริยะขาสติสติตัวจริงยังไม่รู้จักจะเป็นพระริยะได้ยังไงเอาแต่เพ่งเอา mm hmm. เพ่งเอากําหนดเอากำหนดเอ า, เอาไม่ใช่สติตัวจริงสติตัวจริงไม่ได้เพ่งเอาไม่ได้กําหนดเอามันระลึกขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเอง เบอร์ห้าใจลอยทราบไหมเบอร์ห้าให้รู้ทันนะใจหนี้ไปก็รู้ทันรู้ไปเอ๋ทําอะไรหลงไปแล้วนะเบอร์สามสิบสี่ใจลอยเบอร์ส mm ิบ hmm. ก็ใจลอยอ๋อ mm hmm. ลอยทั้งห้องเลยเนาะอัา mm hmm. น, นไปดูเบอร์ไหนก็ใจลอย mm hmm. คุณเบอร์สามติดการเท่งนะอย่างเท่งไว้ยังประคองไว้ แท้จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้กายตามที่เขาเป็นรู้ใจตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงนะของคุณเร์สามยังแทรกแซงอยู่ถ้าเรายัางแทรกแซงอยู่ตราบใดแล้วเราจะพบว่าการปฏิบัติของเรายัา ง, ลงล้มลุกทุกลานได้ช่วงนี้จเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสื่อมเนี่ยตลอดชีวิตจะเวียนอยู่แค่นี้เราไม่สามารถฉีกวงจร อ, อันนี้ออกไปได้เริ่มบังคับตนเองอีกแล้วทราบไหม มันอัดตัวเองเขึาาขาา้นมาอัดปึกบขึ้นมาอย่าจะทำอย่างนีน้สบายที่สุดเลยนะคำว่าปฏิบัตินะ่ะเหมือนผีที่หลอกหลอนพวกเรานะคนไทยไปแปลปฏิบัติเพราะว่าทำพอเราคิดถึงการปฏิบัติทำเราก็ต้องคิดว่าเราต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาเหนือธรรมดาเช่นนั่งก็นั่งไม่ธรรมดาเดินก็ไม่ธรรมดายืนก็ไม่ธรรมดานะจะกินข้าวจะอาบน้ำอะไรไม่ธรรมดามดัน ไอ้คิดจะนึกอะไรก็ไม่ธรรมดาเราคิดว่าเรียกเกว่าปฏิบัติแท้จริงคําว่าปฏิบัติเนี่ยมาจะคําว่าปฏิปฏิแปล ว, ว่าเฉพาะคําว่าบัติแปล ว, ว่าถึงปฏิบัติคือถึงเฉพาะหมายถึงรู้เฉพาะหน้ารู้สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้ารู้สิ่งที่มาถึงเฉพาะหน้าอะไรปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าก็รู้เนี่ยใจแอบไปแล้วทราบไหเมเบอร์สามใจไหลแวบไปเพื่อจะไปดูมัน ใจไหลไปให้รู้ทันว่าใจไหลไปมันจะไม่ไหลมันจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยไม่ใช่เรื่องบังคับส่วนมากพอเราคิดถึงปฏิบัติทรนะ้นเราจะส่งใจของเราเข้าไปดูอะไรบางอย่างหรือเข้าไปกำหนดอะไรบางอย่างเข้าไปเพ่งบางอย่างอันนั้นหลงไปเรียบร้อยแล้วถ้าเรารู้ตั้งแต่อยากจะปฏิบัติความอยากดับไปไม่มีการส่งจิตไปดูอะไรเลยที่เก่งที่สุดจิตไม่ต้องทางานแต่ที่สองระดับที่สองดูไว้ทัน จิตไหลไปแล้วจิตจะเข้าไปค้นกว้าว่าจะไปดูอะไรดีนะปฏิบัติบางทีจิตเที่ยวหานะว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าจิตส่งออกไปเที่ยวหาอย่างนี้ใช้ได้ละการสแสวงหานั้นขาดทันทีเลยแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวก็จะส่งไปหาอีกเนะขารู้อีกมันจะเที่ยวหาอารมณ์ไปไเรื่อยๆมันหิวนะมันหิวว่าอารมณนะ์นะจะเที่ยวหาอารมณ์พอไปเจออารมณนะ์แล้วมันก็ไปเสพอารมณ์อยู่นั่นเองไปต่อไปเกี่ยวไปกินอารมณ์นั้นอยูนะ่พอหมดเรื่องหมดแรมันก็ตายลงระวงัง เดี๋ยวรู้สึกขึ้นมาอีกก็เที่ยวหาอีกเนี่ยเมื่อกี้ใจลอยแว บ, บหนึ่งเบอร์สามทราบไหมใจหนีแว บ, บไปให้รู้ถันไม่ห้ามนะหลวงพ่อบอกแล้วนะการปฏิบัติไม่ได้เพื่อห้ามแต่เพื่อเรียนรู้ให้เห็นว่าเขาทํางานของเขาได้เองถึงวันหนึ่งเราแจ้งขึ้นมาเลยใจนี้ทํางานของเขาเองทั้งวันทั้งคืนพอเห็นแจ้งตรงนี้นะเขาไม่ใช่ตัวเราแล้วเขาทํางานได้เองเมื่อกี้จิตลงรวังนิดหนึ่งรู้สึกไหมเบลอเบลอแวบหนึ่ง เนี่ยเจ้ารู้ลงไปแต่ละขณะแต่ละขณะแต่อย่าจ้องนะอย่าจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาห้ามจ้องไว้ก่อนนะทํากรรมฐานนะพวกเราเล่นแต่เป็นนักจ้องนักเก่งนักําหนดนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนกําหนดนะของเราคนไทยมาเติมมาเองอยังบอกว่าทุกให้กําหนดรู้ได้ยินไม่ประโยชน์นี่ทุกให้กําหนดรู้ผู้เราเองภาษาบาลีมาจากคาว่า ท, sk, 3, ทุกขงักของอริยสัจจังปริญเยยยังทุกขังก็คือตัวทุกเนอทุกขังอริยสัจจะทุกอริยสัจเนปริญเยยยังมาจากคาว่าปาริคำหนึ่งกับคำว่าญาคำปาริกยาปาริแปลว่ารอบญาแปลว่ารู้ปริญเยยยังเนี่ยมาแปลงออกไปแปลว่าปวดรู้รอบเพราะฉะนั้นทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้รอบไม่ใช่ทุกควรกําหนดรู้นะ รู้เป็นสิ่งที่ควรรู้รอบรู้รอบหมายถึงอะไรรู้รอบในกองทุกข์ทุกข์ได้แก่ขันห้าเพราะงั้นเราต้องรู้รอบในขันห้านะรู้กายรู้ใจไม่ใช่รั้วนเดียวนะไม่ใช่เพ่งใส่มืออันเดียวเพ่งใส่ท้องอันเดียวนะในขณะที่ท้องท้องยุบเนี่ยใจต้องเป็นคนดูใจอยู่ต่างหากนะเป็นคนดูที่สบายสบายหรือเดินอยู่เนี่ยใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนั่งอยู่นี่เห็นรูปมันนั่งใจเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้รอบ หรือเห็นแต่ท้องอันเดียวเห็นแต่เท้าอันเดียวเห็นแต่ลมหายใจอันเดียวไม่ได้รู้รอบอะไรนั่นคือการเพ่งอารมณ์เรียกว่าอารามณูปนิชฌานคือการทําสมถะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรานับปฏิบัติทำนะก็คือทําสมถะนั่นแหละส่วนใหญ่คือการเพ่งคือการกําหนดทั้งหมดเลยแตไม่ใช่คือการรู้รอบคําว่ารู้รอบนี่รู้รอบในกองทุกข์รู้ขันห้ารู้รอบอีกในยะหนึ่งหมายถึงรู้ตรงความเป็นจริงด้วย ไม่ใช่รู้ผิดผิดรู้ว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยทุกข์ควรรู้รอบเลยถึงรู้ว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ทุกข์ควรกําหนดรู้นะคําว่ากําหนดเป็นสิ่งที่เกินพระอถกถาเนี่เคยสอนไว้เลยบอกว่าถ้าเอาสติไปกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์นะจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาปัญหานี่แหละคือความอยากปฏิบัตินี่แหละอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนด นี่เป็นตัวสมุทยัยเนี่ยคํานตอนอย่างนี้มีมาแล้วนะพันกว่าปีแล้วนี่พวกเรายัางวันนี้เรายัางชอบกําหนดอีกแค่เราเปลี่ยนจากกาหนดมาเป็นการระลึกรู้ระลึกได้สติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติคือความระลึกได้กําหนดต่างกับระลึกได้อย่างไงระลึกได้เนี่ยเกิดขึ้นเองมันระลึกขึ้นได้เองเพราะมันจําได้ว่าสภาวะอันนี้คืออะไร ไม่เคยเห็นสภาวะนี้แล้วมันระลึกขึ้นได้เวลาสภาวะนั้นมาส่วนกาหนดนี่ยมันเจือด้วยโลภะอยากปฏิบัติก่อนจิตมีโลภะแล้วก็ลงมือกาหนดการลงมือกาหนดคือการกระทำกรรมกิเลสเป็นสหาชาตปัจใจของกรรมคือกิเลสทำให้เกิดกรรมก็จริงนะแต่เกิดร่วมกันกับกรรมเกิดพร้อมๆกันตั้งอยู่ด้วยกัน งั้นอย่างเราอยากปฏิบัติแล้วลงมือกําหนดเนี่ยในขณะที่กําหนดตลอดสายของการกําหนดนั้นความอยากปฏิบัติยังดารงอยู่เพราะฉะสติตัวจริงจะเกิดไม่ได้เลยเพราะอากุศลกําลังเกิดอยู่โลภะกําลังเกิดอยู่นี่หลายคนถึงเรียนอริธรรมแล้วเวลาทําก็ยังทําผิดอีกนะเพราะมองตัวสภาวะจริงๆไม่เห็นเมือ 38, ่อสามสิบแปดนี้ไปคิดแล้วทราบไหมเมื่อสามสิบสี่ไปดูเขาแวบหนึ่งอะนะใจหนีใจแล้วนะ่า เอาเบอร์เก้าสิบใจลอย mm hmm. เบอร์ห้าสิบเก้าก็ใจลอยโอ้มันใจลอยกันหมดเนะ mm hmm. าะหัดดูของเรานะหัดดูจิตใจของเราเนี่ยทํางานทั้งวันไม่ใช่แทรกแซงไม่ให้ทํางานนะดูเขาทํางานไปจนวันหนึ่งเห็นแจ้งเลยมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ถ้าบังคับได้เราก็สั่งสติจงเกิดทั้งวันความสุขจงเกิดทั้งวัน หรืสั่งให้เก่งๆนะจงบรรลุมรคนิพพานสั่งอย่างนี้เลยมันไม่บรรลุดอกเราไม่มีใครทําได้ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรคนิพพานได้นะประโยคนี้ก็สําคัญนะกว่าจะเข้าใจเหนื่อยแทบตายนะยไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรคนิพพานได้จิตเขาบรรลุของเขาเองเพราะเขามีปัญญาของเขาเองเขามีปัญญาของเขาเองเพราะว่าเขารู้เขามีสติขึ้นมาเอง ในการรู้สภาวธรรมรูปนามนะด้วยจิตที่เขาตั้งมั่นของเขาเองมีแต่การทำเองนั่นนั้นเลยไม่ใช่ตัวเราเบอร์สามแต่อย่าให้เคลิมไปเบอร์สามรู้สึกตัวให้เข้มกว่านี้ถอยออกมาจิตเข้าไปติดในสมาธิถอยออกมาลืมตาได้ยิ่งดีนะเคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมมีแต่พระลืมตานะพระนั่งสมาธิก็ลืมตา ขนาดเจานิพานยังนอนลืมตาเลยไหมไม่ค่อยเจอนะพระนิพานหลับตานอนหลับตามันเป็นสัญลักษณ์ของความตื่น น, นั่นเองเมื่ก่อนไปเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมท่านชอบให้นั่งขัดสมาธดเฮ้ยเจ็บถ้าใครเคยนั่งแล้วรู้เลยคุณจะนั่งได้นะต้องใจเพ็รจริงๆคนท่านก็บอกว่าหลวงปู่อ้วนขนานี้หลวงปู่ยังนั่งได้เลยพวกเราหอมๆทําไมนั่งไม่ได้ ดูพระประธานของหลวงปู่ที่นั่งขัดสมาธิเทศมาตลอดไม่บน <c oughs> แบมท่านให้กำลังใจอย่างนี้เราฟังแล้วเราก็ไม่มีกำลังใจอยู่นั่นแหละ <c oughs> เอาไปเทียบพระประธานเ <c oughs> นี่ยเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วทราบไหมให้รู้อย่างนี้ตามรู้ไปจนเราเห็นว่าเขาทำงานของเขาได้เองจริงๆแล้วแสนจะง่ายการปฏิบัติถ้ารู้หลักนะั้นง่ายที่สุดเลยมีพวกเราชอบแซกแซก่ ชอบแทกแซงสภาวะเบอร์เจ็ดสิบสามใจลอยไปแล้วทราบไหมใจมันหนีไปก็รู้ทันหนุ่มที่เสื้อมีดาวอะ่ะเบอร์อะไรเบอร์แปดอะไรเคยมาใช่ไหมจิตไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหมดีแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเอาเสื้อเหลืองนูน้นรายงานส่งกันบ้านหน่อยนั่นแหละคุณนั่นแหละหน้ากลมลเลยเออส่งกันบ้านหน่อย ก็เห็นที่เลอเกิดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทุกข์ก็น้อยลงอืมความทุกข์นะจริงๆความทุกข์ทางใจเนี่ยไปหามาอีกเวลาจิตมันถูกหลอกให้ทํางานนะมันก็ทํางานปรุงแต่งไปมันก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามีสติขึ้นมาจิตก็ไม่ปรุงแต่งจิตก็ไม่ทุกข์อยากเห็นหนึ่งนิดจิตมีความอยากมีความยึดมีความปรุงแต่งจิตก็ทุกข์จิตไม่อยากไม่ยึดไม่ปรุงแต่งๆๆก็ไม่ทุกข์จิตปรุงแต่งจิตทํางาน การทำงานตรงจิตนี่เรียกว่าพบเพราะตำเภาภาพ า, พ า, าชื่อเต็มๆคือกลัมาพบการทำงานตรงจิตใจตัวนี้แหละทำให้เกิดความทุกข์นิดใจมันมีความทยานอยากมีตัณหามกระโจนเข้าไปเข้าไปเกาะพอเกาะเกี่ยวแล้วมันก็ทำงานไปหมุนชี้ๆทำงานอยู่ข้างในก็มีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อสามแอบไปคิดทราบไหมเมื่อสามให้รู้ทันใจที่หลงไปนะรู้ทันนะฝึกนะฝึกต่อฝึกอย่างที่หลวงพ่อ บ, บอกเถอะ สักสามเดือนแล้วจะรู้ว่าไม่เหมือนเดิมหรอกหลายคนดูซิลองหันหน้าไปดูพวกที่ตื่นขึ้นมาหน้าตาผ่องใสนะไม่ต้องทาแป้งก็หน้านวลกรรมฐานนี้แปลกนะปฏิบัติแล้วสาวๆนี่แก่ช้านี่พูดอย่างนี้เพื่อจูงใจสาวๆนะสาวๆแล้วแก่ปฏิบัติแล้วแก่ช้าเพราะจิตใจมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะหน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ต้องไปดึงเสียเงินนอะ ไปฝึกไปเรื่อยๆมีความสุขคนรอบข้างเราก็จะมีความสุขด้วยในบ้านเราก็จะมีความสุขฝึกไปถ้าคนแรกคือตัวเรามีความสุขแล้วต่อไปความสุขมันจะล้นออกไปคนรอบตัวก็มีความสุขครอบครัวของเราก็จะสงบสุขอยู่ในที่ทํางานก็จะเย็นวันนี้ไม่มามีอยู่คนหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนในที่ทํางานร้อนมากเลยความจริงร้อนเพราะตัวแกอรารวาดนั่นแหละ แก่ภาวนาแล้วมารายงานบางเดี๋ยนี้ที่ทํางานแปลกค่าอานิสงมากภาวนาแล้วมันแปลกลทุกคนในที่ทํางานยิ้ ม, ย ม, ยมแย้มแจ่มใสร่มเย็นจริงๆคือแกไม่ไปอารวาดไม่ใช่นอกเหตุนเหนือผลเลยนะเรื่องธรรมดาค่อยๆฝึกมีแต่ความสุขล้วนๆเลยรินใจลอยแล้วรินเบอร์สามสิบแปดหนีไปแล้วยังหนีไม่เลิกทราบไหมยังเสียดายขอคิดเพิ่มอีกหน่อย เบอร์สามสิบสี่อยา่าเกรงเบอร์แปดสิบห้าใจลอยไปแล้วเาเบอร์ห้าสิบเอ็ดเป็นยังไงส่งให่หน่อยนี่เป็นเทคนิคของหลวงพ่อจะได้ฉันน้ำก็ช่วงนี้ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อจิตใจก็ค่อยๆเปลีป่ยนไปนแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหมเป็นคนใหม่แล้วายคือรู้สึกเข้าใจมากขึ้นว่า จำต้องไม่แทรกแซงอะไรค่ะอะไรมันเกิดก็ก็ตามดูไปแต่ตาบางาที<า> ม, <ๆ>มันก็ยังยังอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแทรกแซงใช่ะนะไม่เป็นไรรู้ทันว่าเข้าไปแทรกแซงก็ดีโหแล้วคนในโลกนะั้นมันมีแต่หลงเข้าไปปรุงแต่งขันนะั่นมันเป็นความปรุงแต่งโดยตัวของมันเองอยู่แล้วเราอยังช่วยเข้าไปปรุงแต่งมันซ้อนเข้าไปอีกชั้นนะไปทําปัญหาให้ซับซ้อนมากขึ้นถ้าทีแรกเราก็รู้ทันความปรุงแต่งที่เราไปปรุงขึ้นมา แต่ก็เลิกปรูกแล้วก็เห็นขันเขาปรูงแต่งตามหน้าที่ของเขาไปรูปเขาก็ทำหน้าที่ของรูปไปเขาก็ยืนเดินนั่งนอนของเขาไปนะเราไม่ไปแทรกแซงเวทนาเขาก็เจ็บของเขาไปสุขของเขาไปทุกข์ของเขาไปสังขารเขาก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างของเขาไปไม่แทรกแซงจิตก็เกิดที่ตาบ้างที่หูบ้างที่ใจบ้างก็ไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงถึงจุดหนึ่งเข้าใจเกิดความเข้าใจขึ้นมา เออมันทํางานของมันได้เองนะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงของมันทั้งวันทั้งคืนมันบังคับมันไม่ได้ด้วยแล้วมันถูกความทุกข์บีบพันนะมันอยู่เฉยไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบพั้นตลอดเวลาเบื่อสามนี้ไปแล้วทราบไหมเบื่อสามดีนะ้วของคุณยังบังคับนิดนึงดูออกไหมดูออกไมมใจไม่เหมือนเดิมแล้วใจเปลี่ยนแล้วดีมากหญิงดีนะอ้ได้จีก็ดีกว่าเมื่อวาน ที่นี่ไม่มีสอบอารมณ์นะไม่มีมันนังสอบสอบแล้วอาจารย์มัฒนาเป็นไงนามัสการพ่อครับยมคอยสังเกตว่าวิธีการของจิตที่เขาทำงานนะครับมันมันเห็นแปลกสักสองแบบซึ่งเรียนถามไ้หลายวันนครับคอ่าการที่จิตมันระลึกรู้ได้บ่อยๆก็จะเห็นว่ามันมันโล่งๆว่างๆมันวางตรงนั้นนะครับ ทีนี้ก็เลยคอยสังเกตไว้ว่าตรงนี้เป็นที่หมายว่าว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าไปไปเจอสภาวะที่มันมาแบบเดิมๆกิเลสแบบเดิมๆเนี่ยมันรู้จักมันชินมันเคยอ่าอาการว่างๆมันก็เลยเกิดได้บ่อยๆแต่ทีนี้ถ้าว่ามันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปหรือว่ามันเป็นปัญหาใหม่เข้ามาก็จะพบว่าจิตมันไม่รู้มันไม่คุ้นไม่เคยมันก็จะควานยาว็กล เสร็จแล้วเมื่อมันไปความไปยาวไปไกลเนี่ยก็จะพราะว่าในความสลึมสลือตรงนั้นเมื่อมันใช้เหตุใช้ผลกันอย่างเพียงพอแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีอาการค่อยๆสลึมสลือเหมือนสางจากไข้แล mm ้ว hmm. ตื่นขึ้นมาจึงเพราะว่าอาการทั้งสองอย่างเนี่ยผลก็คืออันเดียวกันทีนี้เราก็เอาเอาไอ้ตัวโลง่โลงๆว่างๆตรงหน้าเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่หมายไว้หรือว่าเป็นที่อยู่เข้าไว้เป็นที่คอยสังเกตไว้อย่างนี้ครับ <Okay. S 2> แล้วเอาเปเคื่องสังเกต ครับแล้วพอสังเกตไว้ถ้าเราเผลอนิดเดียวก็จะเห็นว่าหมองเลยเผลอนิดเดียวก็จะเห็นว่าหมองเลยแต่ถ้าหายไปเลยแสดงว่าหลุดไปอย่างนี้เลยเรียนถามท่านครูบาอาเขาไว้ว่าที่โยมประพฤติแบบนี้เนี่ย ม, ม, มันถูกต้องไหมอย่างนี้ออวันนี้ถูกนะสองวันก่อนไม่ถูกสองสาวันก่อนนะั้นมันตะลุมบอนนะมันหมกมุ่นในการคิดปัญหานี้ คือในความเป็นจริงแล้วสภาวะที่ดูแปลกใหม่นะมันคือเล่าเก่าในขวดใหม่กิเลสมันก็มีตัวเดิมๆรบปโดดหลงเท่าเดิมแหละแต่มันไปนปรุงโฉมใหม่มา่ะปรุงสภาวะแปลกๆที่ไม่เหมือนเดิมเพราะสภาวะที่ไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นจิตไม่รู้จักจิตสนใจจิตเข้าไปค้นคว้าดี่มันหลอกสําเร็จแล้วแต่จะห้ามไม่ให้จิตค้นคว้าไม่ได้เพราะจิตมันจะค้นคว้ามันเสนใจห้ามมันไม่ได้ แต่พอมันสนใจค้นกว้าไปจนม่นเข้าใจนะพอสภาวะนั้นเกิดต่อไปก็จะดับนี้พัทธ์ดับแล้วใจก็ว่างๆขึ้นมาชั่วขณะตรงเนี้ยเป็นจุดที่ใช้เป็นวิหารธรรมก็ได้ใช้เป็นภูมิขังใจก็ได้ยันวัฒนาก็ต้องระวังตัวนี้แต่อย่างใช้ใช้อย่างวันเนี้ยใช้ได้ใช้เป็นวิหารธรรมคือมันผ่องใสอยู่ถ้ามันมองลงมาเราก็เห็นความแปรปรวนของมันความไม่เที่ยงของมันหรือมันหลุดออกไปที่อื่น การที่มันหมอมาเนี่ยตัวมันก็สแสดงใจรักแถมมันเป็นเครื่องชี้วัดเป็นเครื่องชีว้ว่าตอนนี้ไปยึดถืออะไรก็แล้วอย่างนี้ใช้ได้แต่หลายคนที่ภาวนาพอใจว่างแล้วพึงพอใจเข้าไปเสรเข้าไปุูนเข้าไปเกาะเกี่ยวกับความว่างอันนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างวันนี้ใช้ได้แล้วครับทีนี้ลบกวนอีกนิดนึงครับในสถานที่เราไปปฏิบัตินะครับวันนี้ โยมพักอยู่ที่วัดเยโลนะครับอพบว่าสถานที่ตรงนั้นเวลาเดินเข้าไปใหม่ๆเราพบก็สิ่งแปลกๆเข้ามาอย่างนี้ครับตรงนั้นอยากเรียนพระอาจารย์ว่าสถานที่เราควรที่จะเลือกไหมมีคนต่อรเราไหมครับมีผลสถานที่สัปปายะสัปปายะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสัปปายะในป่าช้าบางคนสัปปายะตอนนั่งรถเนี่ยพวกนี้สัปปายะนั่งรถแล้วขับรถไปแล้วสติเกิดบ่อย ควรจะไปขับแท็กซี่นะสิ่งแวดล้อมมีที่ผลกับเรา้ขันเนี่ยมันอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี่ยกระทบกระเทือนเข้าถึงกันได้แต่ถ้าเราฝึกไปจนสุดขีดแล้วครันนี้ไม่มีผลเข้าใจมันเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมขันกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นอันเดียวกัน ถ้าเราภาวนาไปจนถึงจุดที่เห็นว่าขันหรือโดยเฉพาะจิตแต่สิ่งที่แวดล้อมอยู่ก็อันเดียวกันนะตรงนี้จะปล่อยวางทั้งหมดแล้วแล้วจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมถ้าก่อนหน้านั้นยังไม่อิสระเราก็ต้องรู้จักเลือกสัพพายะทั้งหลายอย่างเราพบกับคนนี้แล้วสติเกิบ่อยเราก็พบกับคนนี้เรียกบุกคคลสัพพายะอาหารชนิดนี้กินเข้าไปแล้วสบายอย่างนี้กินแล้วเขานายากเบียนหัว อ, อุดอัดอ่างเงี้ยแล้วก็ต้องเลือกเรื่องอาหารสัปพายะสถานที่สัพพายะนะสิ่งสภาพแวดล้อมสัพพายะเรียกอุตุสัพพายะสิ่งเหล่านี้ยังมีผลกับเราแล้วจามัทนาก็ดูนะไปอยู่ตรงนี้ผีดูดภาวนาดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นดีนะวันนี้ใช้ได้ดิ้นหนึ่งนะครับว่าไ อ, อ้ตร ง, ตรงป่านางตะเคียนตรงนั้น ที่ที่มีความรู้สึกว่าอ่าสัมภเวสีหรือวิญญาณอะไรเขาเข้ามาสัมผัสตรงนี้ครับมีข้อสังเกตอย่างไรว่าอเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีเขาเข้ามารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราปุงเองอย่างเชื่อเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นผีโผล่มาเต็มเลยถ้าเรามัวไปพิจารณาผีนี่เสียท่าละให้ย้อนมาดูที่จิตเราเองนะจิตของเราเป็นปกติเป็นกลางว่างสว่างแล้วไม่มีอะไรละ ย้อนออกไปดูใหม่ถ้าตัวจริงก็ยังอยู่นะถ้าสิ่งที่เราปรุงขึ้นเองเราเลิกปรุงไปแล้วไม่มีล้วบางคนนึกว่าผีไม่มีนะมีนะเอมีโอปปัติกะมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีถ้าใครเห็นว่าไม่มีนะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เยอะแยะนะที่วัดหลวงพ่อนี่คลึกคลื้นมากเลยนะเห็นโลกโลกอย่างนี้แหละ บาคนมาตั้งใจนะก็จะเจริญสติไม่ให้ขาดสติพอขาดสตินะก็มาเคาะข้างฝาเคาะหน้าต่างเคาะบุงลวดนะอ่ะเคาะจากด้านในด้วยนะมันน่ากลัวตรงนี้ยมันยึเคาะมาจากด้านนอกอ่ะบ <c oughs> ทีก็เรียกชื่อนะ <c oughs> เคยมีสกิดด้วยใช่ไหม <c oughs> สกิดก็มีเรียกชื่อก็มีนะเคาะก็มีบางคนไหนมันดื้อ น, นะครับก็เลื่อนตู้เล่น เป็นที่สนุกสนานตอนหลวงพ่ อ, อไม่อยู่มีใครโดนบีบพอไปคนหนึ่งจำมีท่านไหนโดนบีบพอพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอาจารย์เยอะแยะนี้ถ้าเราไปสัมผัสตรงนั้นแล้วจิตใจเราทึกคักเข้มแข็งขึ้นมานะก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละดีแต่อาจารย์อย่าไปเป็นหัวหน้าผีก็แล้วกันนะลากเก้าอี้ก็มีนะที่นีแบบดูน้าดูมกัน เอาคุณไอ้อกิติยาว่าไงเมื่อกี้คุยกับไอ้อกิตินาแล้วนี่อ้อยกิติยาบ้าเดดเด็ดรับใหม่นี่วันนี้หลวงพ่อแป้งโยนไม้ข้ามใจใจจะได้ไข่ใจทันที่แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าอยากดีแล้วจิตมันเลยทึบๆแน่นๆไปเลยแล้วตอนนั้นไม่ไม่ไม่เห็นแต่พอตอนหลังกลับไปแล้วพอรู้สึกอยากปฏิบัติ หรือมีความรู้สึกว่าอยากให้จิตดีนะมันมันเป็นแล้วไปเห็นความอยากเาอาพอมีความอยากก็มีความทุกข์แน่นแน่นแน่นใช่ไหเมื่อสามใจลอยไปแล้วทราบไห ม, มแล้วไงอีกก็จิตขนาดนี้เป็นไงรู้ตัวเต็มที่ยังก็ไม่เต็มที่เจิตมีโมหะหรือเปลไหมมันเหมือนกับรู้แต่ว่ามันมันขแข็งแขงนะเออ่านะจิตยังมีโมหะมันสมเกียดอย่างงี้าง เ อ, อรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างครับครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับรู้สึกว่าอารมณ์ดีมากขึ้นครับแล้วก็เส้นตื้นขึ้นนะครับอหัวเลาะง่ายครับอืมดีแล้วเส้นลึกไม่ดีเรียกเส้นจ ม, มเส้นตื้นๆสบายคือคนได้ชอบอีกคิดนะว่านักปฏิบัติเข้องตีขลุ่มต้องขลุ่มๆทำอะไรช้าๆ บัรล้พลาาระละหันแล้วเนี่ยวันบันแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลยแล้ว ถ, ถ้ากระดิกแล้วถือว่าโลภแทกเข้าใจผิดนะถ้าหากทุกคนนะกระดิกช้าๆเหมือนกันแล้วบรรลุเหมือนกันหมดนะแล้วก็ยังช้าๆอยู่เนะนะคําว่าวาสนาจะไม่มีแท้จริงแล้วพาาระละหันแต่และองค์แต่และองค์นะเคยพูดเร็วก็พูดเร็วนะพูดช้าก็ช้าเคยเดินเร็วก็เร็วเดินช้าก็ช้าไม่แกล้งทำหรอกถ้าสารีบุตรเจอต้องร่องนะโดดข้ามหน่อย ต่านไม่มากำหนดรู้กำหนดอะไรไม่มีนะกระโดดเลยเนั้นวาสนาเนี่ยไม่แก้แก้ไม่ได้ไม่ได้ไปดัดแปลงมันดีแล้วสังเกตภาวนาแล้วมันมีความสุขเหมันก็เส้นตื่นขึ้นแต่สังเกตไหมภาวนาแล้วมีความสุข ก, ก็จริงแต่เห็นกิเลสเกิดเยอะขึ้ น, น, นแต่เดิมเราคิดว่าเราเป็นคนดีนะแต่พอภาวนาเป็ี่ยนเราเห็นว่ากิเลสถีบเลยใช่ไหมเบอร์ยีิบสี เห็นไหมกิเลสตัวไหนเยอะโทสะเยอะ อ, อดีแล้วเยอะดูโทสะไปหลวงพ่อเป็นพวกโทสะเยอะนะพวกโทสะเยอะก็ปัญญากล้านะพวกเดียวกันเพราะอาการของโทสาเนี่ยรวดเร็วรุนแรงนะปั่นโกรมโกล ม, มอาการของปัญญาก็รวดเร็วรุนแรงฟาดโกลมเลยนะโทสะดูง่ายเป็นกรรมาฐานที่ดูง่ายโมหะดูยาก แค่ใจมันไหลไหวๆ ไ, ไปนี้เนี่ ย, เ, ยเบอร์สามมีโมหะอยู่นะมีอุท ธ, ธัจจะจิตมีอุท ธ, ธัจจะเริ่มบังคับแนละ้วทราบไหมและสุดโตไปสองข้างถ้าไม่หลงตามกิเลสนะก็บังคับไวหลงตามกิเลสไปนวะิ่งไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลิน พ, พอใจเรียกกามสุขาริการุโยบังคับกายบังคับใจเรียกอัตสะกิลมัถฐานุโยก นักปฏิบัติธรรมจริงๆคือพวกอัตตะกิลมัชฐานโยคนี้ไม่ได้พูดเองนะในอัธกถาสอนไหมเป็นอัธกถาในพระสูตรที่เทวดาไปถามพระพุทธเจ้าจําชื่อพระสูตรไม่ได้ของจาชื่อได้ไหมเออโอคาตระนาสุหลวงพ่อมีฝ่ายวิชาการ <c oughs> เวลาหลวงพ่อสอนอะไรนะั้นจะคอยจับผิดครูบาอาจารย์ดูซิในพระไตรปิฎกมีไหมเทียกไปคนนะ ในโอค่าตรน่าสูตรเนี่ยเทวดาองหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามากลางคืนนะยังรัศมีของเทวดาเนี่ยทําให้พระวิหารเชตวันเนี่ยสว่างไสวแล้วเทวดานี่แกสําคัญตัวว่าเป็นพระอริยะก็มาถึงก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ข้ามโอค่าได้อย่างไรคือคี้ประตูเองก็ข้ามได้นะแล้วมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามโอค่าได้อย่างไร ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงบอกว่าเราทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้เราข้ามบโอคาได้พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอย่างนั้นท่านบอกดูก่อนท่านผู้นิรุตุขเราตถาโคตข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ไม่พักอยู่เนี่ยไม่ไม่ท้อแท้ทอดอะไรขี้เกียจขี้คล้านนีฟังเข้าใจง่ายใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกเพาเราไม่เพียรเราไปได้ยินแต่ต้องเพียรใช่ไหม ต้องเดินมาละเท่านั้นชั่วโมงนั่งเท่านี้ชั่วโมงต้องเพียรพระพุทธเจ้ากับข้ามอกคาโดยไม่พักและไม่เพียร น, นี่เทวดาซึ่งนึกว่าเป็นพระอริยะนะฟังแล้วงงเลยงงไม่พักเนี่เข้าใจได้แต่ไม่เพียรนี่ไม่เข้าใจบอกขอให้พระองค์ช่วยขยายความนิดเถอะพระพุทธเจ้าท่ขานก็ขยายความนูก่อนท่านผู้นี้ระทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเมื่อไร่เราเพียรเราจะลอยขึ้น เราข้ามโอกระได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียรคือไม่จมไม่ลอยไม่ฟูไม่แฟบนี่แหละเทวดาฟังตรงนี้เกิดปิงขึ้นมาได้พระโสดาบันก็ mm hmm. สรรเสริญบอกว่าโอ้นานๆจะได้เห็นพระอริยะเจ้านะผู้ข้ามโอกะได้ด้วยการไม่พักและไม่เพียรได้โสดาไปแล้วก็ประทักศีลเยี่ยนรอบเข า, าเจ้าแล้วก็ไป พวกเราได้ฟังธรรมะเช่นเดียวกับเทวดาเทวดาได้โสดาได้ยังือได้ยังยังไม่มีนะอธิกาถาให้ก็มาขยายความให้เพราะเราฟังแค่เท่าเทวดาเนี่ยเราไม่รู้จะทํำยังไงนะอธิกาถาก็ขยายความบอกคําว่าพักอยู่เนี่ยหมายถึงปล่อยตัวตามกิเลสเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารอาปุสลาที่สังขารความปรุงแต่แไปชั่ว เรียกว่ากรารมาสุขานิการนุโยกถ้าเพียรอยู่หมายถึงขาคเพียรปฏิบัติเนี่ยก็เป็นกุญญาพิสังขารเป็นความปรุงแต่งฝ่ายบุญเป็นปุลาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเป็นอัตต์กิลมัทฐานุโยกสังเกตไหมทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติเราจะบังคับตัวเองอัตโนมัติเลยไม่ได้ทําอย่างอื่นหรอมีแต่บังคับกายบังคับใจนะกาย เ, ยเคลื่อนไหวสบายสบายทำให้ไม่สบาย จิตใจเคยทํางานปกติคล่องแคล่วว่องไวเป็นหน่วงให้มันอืดๆช้าๆขึ้นมานี่แหละเรียกว่ากล่มกายกล่มใจนะียคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคพวกฝ่ายดีทั้งหลายพวกรักดีทั้งหลายเนี่ยคือนักปรุงแต่งอัตตะกิลมัฏฐานุโยคอะไรเป็นรากเง่าของมันทั้งความปรุงแต่งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วรากของมันคืออันเดียวกันนะคืออวิชชาเราไม่รู้ความจริงว่าเราไม่มี การห้าไม่ใช่เราหรอกการห้าเป็นสมบัติของโลกเราคิดว่ามันมีเราก็อยากให้มันมีความสุขเด็มันคือตัวเราเราก็อยากให้มีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์อยากให้มีความสุขอยากให้พ้นทุกข์ก็ทําได้หลายแบบแบบที่หนึ่งที่คนและสัตว์ทั้งหลายทําก็คือวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจที่เรียกการสุ ข, ขานิการุโยกนะั่นเพวกนี้จะตามใจกิเลสคิดว่าถ้าสนองกิเลสได้แล้วมีความสุข ถ้าตัญหาเกิดขึ้นแล้วสนองตัญหาได้แล้วจะมีความสุขพวกนี้จะวิ่งหาความสุขด้วยการสนองกิเลส ต, ตัญหาไปเรื่อยๆอาหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายมาตอบสนองไปเรื่อยรวมทั้งคิดถึงการมาคุณอารมณ์ด้วยเรียกว่าการมาทำคิดถึงการมาคุณอารมณ์แล้วก็มีความสุขพวกนี้เป็นความปรุงแต่งไฟชั่ว อีกควบหนึ่งเห็นว่าลำพังวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนะยังให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะเมื่อมีตาย่อมเห็นของที่สวยบ้างไม่สวยบ้างมีหูย่อมได้ยินของที่ดีบ้างไม่ดีบ้างมีใจย่อมคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพวกนี้ก็มีความเห็นบอกว่าถ้าสามารถควบคุมกายควบคุมใจให้เรียบร้อยได้โดยเฉพาะถ้าควบคุมจิตใจไว้ได้นะให้มันสงบได้แล้วจะมีความสุข พวกนักทำกรรมฐานทั้งหลายคือพวกนี้แหละพวกปรุงแต่งอันนี้ปรุงแต่งจิตใจให้มีความสุขความสงบคอยควบคุมคอยบังคับมันอันนี้เลยเรียกว่าพุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็คืออัตกิลมะฐานุโยค ก, การบังคับตัวเองที่อีกพวกหนึ่งเห็นว่ายังคอยควบคุมจิตใจอยู่เรื่อยๆนะยังเป็นภาระมากเวลามีอารมณ์มากระทบใจก็กระเทือนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ได้ก็ไม่ต้องกระเทือน พวกนี้ก็เลยปรุงแต่งชนิดที่สามเรียกว่าอนเนนชาพิสังขารอนเนนชาพิสังขารปรุงแต่งการที่ไม่ต้องกระทบอารมณ์หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์มีสองแบบพวกหนึ่งเข้าอารูปประชานแล้วก็เข้าอารูปเนี่ยมันจะตัดอายตนาตาหูจมูกลิ้นกายไปไม่มีการกระทบอารมณ์แล้วเหลือแต่ใจอันเดียวกระทบอารมณ์ทางใจที่สงบสุขอยู่ที่รู้สึกอย่างนี้มีความสุขดีอีกพวกหนึ่งเท่งรูป เข่งไปเรื่อยๆเช่นจะหยิบปวดเนี้ยให้จิตให้สติแนบลงไปในมือนะห้ามเคลื่อนไปที่อื่นเลยนะจ้องไปเรื่อยๆห้ามข้ามจิตหนีไปชื่อื่นเลยจอบไปเรื่อยๆนี่คือการเท่งรูปการเท่งรูปเนี่ยถ้าเท่งถึงขีดสุดนี่นะจะได้จดตุตตะชาญชานที่สี่ท่านอภิธรรมจะเรียกว่าชาญที่ห้าปัญจมาชานแต่ว่าถ้าพระสูตรเรียกว่าชานที่สี่พอจิตมันแนบลงไปในรูปไม่หนีไปที่อื่นนี่คือการเท่งรูป แล้วหากขณะนั้นนี่นะผู้ปฏิบัติเกลียดนามคือไม่สนใจที่จะศึกษาจิตใจของตัวเองเลยเพ่งรูปลูกเดียวเลยจิตมันจะดับลงไปเหลือแต่รูปมันเดียวงั้นจะเข้าไปอสัญญาสัตตาภูมิเป็นภูมิลูกฟักนะเพราะงะั้นภาวนาบางคนนะภาวนาดูรูปไปเรื่อยๆเช่นดูมือดูเท้าดูท้องอะไรเนี้ยนะเพ่งไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตดับลงไปเหลือแต่ร่างกายนั่งแข็งทื่ออยู่ไม่มีความรู้สึกนี่รู้สึกว่าพลุกแล้วตรงเนี้ย มันเป็นนิพพานปลุเหมือนกันนะแต่เป็นนิพพานของอสัญญาสัตตาภูมิปลุมลูปฟักนี่หลายคนทําไมเข้าใจผิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานเป็นบนรรลุมรคผลนิพพานพูดลงไปหมดความรู้สึกตัวแล้วคิดว่าบรรลุมรคผลนิพพานพวกนี้ไม่ได้เรียนอริธรรมหรือเรียนอริธรรมก็เรียนไม่แน่จริงนะเรียนแล้วพลิกตํำราไม่ทันคือพอในขณะที่เกิดอริยมรคมีจิตนะชื่อว่ามรคจิตไม่ใช่ไม่มีจิตไม่ใช่จิตดับ ในเกิดขณะที่เกิดผลมีพลรจิตมียี่สิบดวงมรจิตยี่สิบพลจิตยี่สิบอย่างย่อๆมีอย่างละสี่เรียกมรสีผลสี่ในขณะนั้นมีจิตแล้วก็มีเจตสิกโดยทำที่ประกอบกับจิตอีกสามสิบกว่าดวงดังนั้นในขณะที่เกิดมรเกิดผลไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกตัวนะในขณะที่เกิดมรเกิดผลนี้มีจิตยิแต่จิตแล้วก็เจตสิกนั้นไปรู้นิพพานเป็นอารมณ์ ไม่ใช่ว่าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกถ้าไม่มีจิตจะเอานิพพานเป็นอารมณ์ได้ยังไงนิพพานเป็นธรรมอารมณ์นะธรรมอารมณ์รู้ได้ด้วยใจนี่หลายคนนะภาวนาไปวู้ขวนสติพอถอยออกมาก็บอกว่าบารรลุมรรคผลไม่ใช่นะนั้นขาดสติเดี๋ยวต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังจริงๆในอภิธรรมสอนละเอียดแต่บางทีเราไม่ได้ดูสภาวะพลาดไป มีอาจารย์อภิธรรมาเรียนเยอะนะที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้เรียนอภิธรรมหรอกนะอ่านเร า, น, า, น, า น, นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าคุยกันแล้วอาจารย์อภิธรรมที่คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องหลายคนปรับกรรมฐานไปแล้วบางแห่งเรียนทั้งสํานักเลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่ทําอยู่บาทีไม่ได้เห็นสภาะวะมันคือการเพ่งไปเพ่งเพ่ ง, เพงรูป เพ่งรูปยืนเดินนั่งนอนบ้างเพ่งรูปคองยุบบ้างเพ่งบ้างเพ่งมันไม่ใช่การรู้รู้กับเพ่งไม่เหมือนกัน เ, เหนื่อยแล้ววันนี้ขออย่างเอาให้คนหนึ่งใครจะถามอะไรเชิญส่งท้ายอันหนึ่งดีไหมอ๋อคุณานนิดเชิญส่งใหม่เบอร์าสามใจลอยไปแล้วนะสาม ขอบคุญย่านะเจ้าคะ่ะคือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราเพ่งรูปนะเจ้าค่ะแล้วก็เห็นจิตมันดับเนี่ยอ่านเคยทําก็คือว่าเพ่งรูปเนี่ยนะคะทําช้าอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแต่ว่าเห็นรูปดับอืทางมันก็เออไม่เป็นไรก็ไม่ไม่เป็นไรแต่พอเห็นรูปดับแต่ว่ามันรู้นะคะว่ารู้ว่ารูปมันดับไปแล้วก็เห็นความไม่มีสาระของรูปจริงตรงที่เห็นรูปดับเนี่ยจิตมันก็ดับ จิตมันดับการรับรู้รูปไปด้วยค่ะคือมันรูปมันก็ยังอยู่นี่หลค่ะแต่จิตมันไม่ได้มาสัมผัสถึงอ๋อเจ้าค่ะเพรรูปจริงๆรูปอายุยืนแต่จิตมันอายุสั้นเจ้าค่ะก็กล่าวคือก็คือว่าจริงๆแล้วจิตมันกระดับไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูท้งจิตมันกระดับอตลอดตรงที่เราไปนึ้ขึ้นได้ว่าเมื่อกี้รูปดับอ่ะทนี้มีจิตอันใหม่ไปรู้อีกแล้วอ๋อเจ้าค่ะแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะอย่างน้อยเราเห็นว่า สันติของรูปนี้ขาดลงใช่ได้ดีแต่ตัวที่สําคัญต้องเห็นสันติของจิตนี้ขาดลงเพราะว่ารูปเนี้ยพออย่างที่คุณพานิดฝึกเนี้ยจะรู้แล้วใช่ไหมรูปไม่ใช่ตัวเราหรืออันเดียวที่เป็นเรานะคือจิตใช่ดังนั้นที่ทําอยู่ไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายหรอกมันเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าเราไปมัวแต่ยุ่งเพ่งแต่รูปทิ้งนามไปมันจะไม่เข้าใจว่านามเองก็เกิดดับ ก็คือพอมาเตียงกับหลวงพ่อแล้วตอนนี้ยมันก็ไม่กลับไปดูรูปเนะเจ้าค่ะ่าก็เหมือนกับที่หลวงพ่อเคยฟังในเทปว่าหลวงพ่อบอกว่าพอขี่จักรยานเป็นแล้วมันขับรถเป็นแล้วไม่อยากขี่จักรยานมันก็จะเฝ้าดูแต่ที่จิตอย่างเดียวเจ้าค่ะแล้วก็พอฟังเทปหลวงพ่อเนี่ยวิธีการถามกับเสียงเนี่ยมันแวบขึ้นมาเลยว่าอันนี้เคยฟัง มันเหมือนกับว่าความเสพคุณไม่ว่าไม่สร้างบันเด็จอดิตชาติหรือเปล่านะเจ้าค่ะมันเคยทำว่าเสียงนี้เคยได้ยินวิธีการแบบนี้เคยได้ยินนะครับที่จริงแล้วพวกเราที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เริ่มชาติเดียวสะสมนานนะสะสมนานบางคนทำมาสามสิบเอ็ดกับเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระสิกขีเริ่มภาวนาไม่ใช่เริ่มทำบุญทาทานนะเริ่มลงมือปฏิบัติน่ะ ทํากันมานานแต่ที่รวดเร็วก็มีนะพุทธันดรเดียวแล้วบรรลุเลยก็มีทำมาสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน้วมาบรรลุพระเจ้านี้แท้จริงแล้วธรรมะพวกเนี้ยถ้าหากเราไม่เคยฝึกฝนอบรมเราจะไม่รักธรรมะรู้สึกไหมเราตั้งแต่เด็กๆพวกเราหลายคนนะตั้งแต่เด็กๆมันมีความรู้สึกเหมือนไ ม, มีอะไรบางอย่างผลักดันอยากปฏิบัติ อันนี้คือของเก่าที่เราสร้างสมอบรมมามันตักดันมันกระตุ้นมันเร่งเร้าให้ปฏิบัตินี้พวกเราอยู่ในสาวกภูมิเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้แบบใดที่เรายังไม่ได้ฟังทำของจริงนะเราก็ยังทําผิดผิดสุกๆได้แต่ว่าหลายคนเคยมีนักปฏิบัติหลายคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพอภาวนาเป็นสติตัวจริงเกิดแล้วรู้สึกเลยว่าไอ้นี่ของเก่า อันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยมีมาแล้วเคยรู้จักมาแล้วยังก้อยเนี่ยอ้อยพิตินานะ์น่าไปเดินจงกรมมาแรกนะเห็นรูปมันเดินใจเป็นคนดูชาวว่าอันนี้ของเกับเป็นมาแต่เดิมเคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนกนหรือมีคนหนึ่งตอนเด็กๆไฟไหม้ข้างบ้านตกใจแต่ตกใจนี่นะสติเราลึกรู้ความตกใจเลยความตกใจขาดสะบ้านปั๊บรู้ตื่นขึ้นมาฉับพลันนะแต่เด็กๆเจ็ดขวบ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตวนจริงมันคือของเก่าที่เคยฝึกม า, มายอยีกใต้อยองค์หนึ่งมาเล่าให้ฟังตอนท่านเป็นเด็กท่านไปงานลอยกระทงอพอจุดลุกจุดดอกไม้ไฟดังๆใกล้ๆตัวท่านสะดุ้งสุดตัวเลยตกใจเสร็จแล้วสติะระลึกเห็นความตกใจแมสส่วนมากเป็นอารมณ์ตกใจนะที่ข้ามพบข้ามชาตาิตัวแรกที่เห็นง่ายนะจากเคสที่หลวงพ่อเก็บตัวอย่างมาเนี้ยมันเป็นอารมณ์ตกใจเพราะอะไรเพราะอารมณ์นี้แรง ประกบใจปุ๊บมันหันไปดูแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรวิธีนี้ลืมไปอีกจนมาได้ยินธรรมะของครูบาอาจารย์สอนสึบท อ, อดกันมาเลยถึงรู้ว่าพ่อถ้ามีสติรู้ลงไปในทําอย่างนี้เองก็ดูลงไปปุ๊บนะก็พบว่ามันเหมือนกลับมาที่ที่เคยมาเหมือนกลับมาที่ที่เคยมาแล้วการปฏิบัติมันจะงง่ายเพราะว่าเคยทํามาแล้วของคุณพานิชนะใจ ต, ต้อง ตั้งมันมากกว่าีอีกนิดหนึ่งดูออกไหมใจขัดคําตั้งมั่นแต่นิดหนึ่งนิดเดียวนะอย่าเพิ่มแรงนะเพิ่มมากไปเสียอีกไม่ไม่มันมันจะเผลอล่อยจ้ะเพราะว่ามันพอมันพอมันเฝ้าดูแล้วมันจะเห็นความว่างมันก็จะอยู่แค่ตรงที่ว่างตรงที่ว่างนี่ยมีปัญหาให้รู้กายเคลื่อนไหวให้รู้ใจเคลื่อนไหวอย่าไปเฝ้าอย่าไปเฝ้าดูนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนให้ตาหูจมูกลิ้นกใจกระทบอารมณ์ไปก่อน แพบแล้วความรู้สึกเกิดแล้วก็มีสติรู้ <Okay. S 1> ถ้าเราไปเฝ้าดูอยู่จะเราไ ป, ไปเฝ้าความว่างไว้ตัวนี้ไม่ได้นะ <Okay. S 1> แต่ตัวนี้ยังไม่ดีอ้าววันนี้เชิญโยมกับป้า